กไว้ด้วยกายว่ า, จาใจที่ทลํมขอท่านเมตตาอาโหสิกรรมที่ได้ล่วงล้ำกล้ำปลาแม่การเป็นอยู่เดียวนี้ก็ทุกเต็มที่อยู่แล้วมากมาย ให้อาป่าพุเพิ่มต่อไปองทนไม่ไหวเกินจะทนพระอาจารย์มั่นท่านเอ่ยว่าจาว่าท่านมีฤทธิ์วาสนาในตนโลกทิพกายทิพใหญ่ ทุกนนนนันนายถ้าโลกที่มีความทุกข์แล้วความสุขจะไปอยู่โลกไหนทางการเป็นอยู่หลับนอนพอ รเขาตอบว่าโลกทิดห่างไกลกันลิบกับโลกมนุษย์ดังคำลือแต่ที่ไม่แตกต่างการนั้นก็คือ คอยว่าจีที่ลึกสุขุมเกินร้องเกินแหลที่แผ่ทุกแง่มุงเกินทั้งภูมิจะกล่าวบรญญา ปฏิญานกราบบ่มถึงไตรสารณคมคอยบรมบ่มใจอ่างพระอาจารย์เป็นสารณะยิ่งใหญ่ขอนี้มนให้อยู่นานนานไปตลอดกาลทั่วดงดอยเขาจะคอยดูแลให้คุ้มครองป้องภัย มาแผ้วพานอำนาจเขามีมากมายทั้งบริวารจะคอยดูแลท่านทุกคืนวันตลอดเวลาตัวเขาหรือตัวเขาก็คือหัวหน้ารูกคเทวดา ติดต่อกันมาไม่มีผู้ใดในลกล้าหันเข้ามาราวีท่านพระจารยาวนามาแต่หัวคําจนถึงสองยามโรคเคยคุกคามหมดหายทันที ทนทนาธรรมกับรุกคาเทพจนถึงที่สีจิตถอนพอดีตลอดราตรีไม่ได้หลับนอนพอจิตถอนขึ้นมาแล้ว ท่านทำความเพียรต่อไปโดยไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกลัปรีกระเปร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่งจิตรวมสงบเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกาเริบอยู่เสมอ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 บางคืนย้ำดึกสงัดก็ต้อนรับรุกเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับทานาจารย์เป็นหัวหน้าพามา